วันนี้ดิฉันเองจริงๆก็สืบเนื่องจากการดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเป็นรายการเคเบิลทีวีนะคะแล้วก็มีผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจากค้าขายขนมเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมาขายวัสดุก่อสร้างเธอก็พูดถึงความกระท่อนกระแท่นทุลักทุเลของการประกอบอาชีพว่าหาเงินเก่งแต่มีแล้วเป็นคนใจดีก็จะช่วยคนนั้นคนนี้ แล้วก็หมดหมดแล้วก็มีมีแล้วก็หมดอยู่เรื่อยๆบอกแต่สุดท้ายตอนหลังเนี่ยคือที่ฉันไม่ได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นจะจับเข้าใจได้ว่าเมื่อหันเข้าหาธรรมะนะคะก็ใช้ชีวิตมาได้อย่างมีความสุขในการประกอบอาชีพแล้วก็เธอก็พูดถึงเคล็ดลับของความสําเร็จที่นํามาสู่การที่จะมากราบเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือเธอบอกว่ า, าจะเป็นคนที่ทํางานเนี่ย ทำจริงทำจังแต่ระยะหลังเมื่อเธอเข้าหาธรรมะเนี่ยเธอมีสติในการที่จะรับมือกับปัญหาคือเผชิญหน้ากับปัญหาตั้งสติแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ทุกครั้งนะคะกับอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะมีทีมงานที่ดีซึ่งเธอแลกมาด้วยใจ ก็เลยอยากทราบว่าการที่จะเป็นนายจ้างที่ผูกใจเพราะเธอบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนของความสำเร็จเลยคือเมื่อลูกจ้างเขาดีแล้วเนี่ยเขาก็ <'ll> เหมือนกับเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้ความสาเร็จของเธอนั้นเกิดขึ้นได้มี2คํคำถามนะคะคำถามแรกที่บอกว่าเผชิญหน้ากับปัญหาใช้สติและแก้ปัญหาได้ทุกครั้งในทางทำเป็น อ, อ, อย่างไรคก็ตรงนี้แหละถ้าคนเราเนี่ยมีสติ คือความละลึดได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยจิตจะอยู่กับปัจจุบันะจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเพราะว่าจะมีความตั้งใจมั่นอยู่กับปัญหานั้นได้นานะนะก็ะจะเห็นปัญหานั้นในทุกๆแงม่มุมนะมีจิตใจจดจ่ออยู่กับที่ที่เดียวในปัญหาตรงนั้น ค, คนเราเมื่อมีการไข้ควรพิณานเนี่ยในสิ่งสิ่งใดยอยู่ได้นานน ะ, นะปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นก็จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่ที่เราแก้กันไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ไม่จดจ่ออยู่กับตรงนั้นคิดเรื่องนั้นอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวก็ใจแว๊บไปนะตรงโน้นทีใจแว๊บไปตรงนี้ทีนะทําให้ใจของเราเนี่ยไม่อยู่กับปัญหาตรงนั้นนะได้ตลอดเวลานะทําให้มองเห็นแง่มุมเนี่ยไม่รอบครอบไม่ละเอียดไม่รอบด้านนะพรนะเจ้าจึงให้ฝึกเนี่ยสร้างสมาธิให้เกิดขึ้น ด้วยการสร้างสติสติคือความระลึกได้เมื่อระลึกได้แล้วเนี่ยจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้าสัมปชัญญะของเราเนี่ยต่อเรื่องยาวนานก็เรียกว่าเรามีสมาธิคือความตั้งใจมัน่นะก็หยิบเอาสมาธิความตั้งใจมั่นของเราเนี่ยมาใช้ในการพิจารณาปัญหาทั้งโลกก็ตามปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราทําในลักษณะอย่างนี้ในขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสามารถแก้รุ่ร่วงไปได้ พระพุทธเจา้าทรงสอนไวไหมคะว่านอกเหนือจากให้มีสมาธินะมีการตั้งใจมั่นมีสติแล้วจะแก้ปัญหาเนี่ยมีลงรายละเอียดมเพราะว่าลำดับของการคิดในการแก้ปัญหานั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้มีไหมคะอ๋อลำดับคิดในการแก้ปัญหาเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ให้พยายามไปไปสาวหาเหตุเหตุของของการเกิดปัญหานั้ น, น, นหลักการนี้ก็เรียกว่าหลักการโดยหลักของปฏิจจสุบาติ ด้วยการพธธิจารณาว่าเพราะเหตุใดมีเหตุนี้จึงมีนะเพราะอะไรมีอะไรจรึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจรึงเกิดนะและท่านเราต้องการจะดับเหตุนี้ใช่ไหมจะดับสิ่งสิ่งนี้ใช่ไหมท่านก็ให้ไปดับที่เหตุเพราะท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยต้องเกิดมาจากเหตุทางนั้นเกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีมันต้องมีเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุดับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะดับไปด้วย วันนั้นหลักการในการดับทุกข์หรือดับปัญหาตรงนั้นก็คือไปดับเหตุของมันนะเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับเพราะความไม่เกิดแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะหลักการนี้ก็เรียกว่าหลักของปฏิจจสมบทัทใช้ปัญญาพิจารณาไข้ควรหรือมีสติให้พยายามให้เห็นนะก่อนนะที่ธรรมชาตินั้นจะเกิดว่าเพราะอะไรนะ ก่อนธรรมชาตินี้เกิดอะไรเกิดเช่นว่าเรามีความอยากขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราต้องอยากก่อนความอยากเกิดอะไรเกิด <S <S อ๋อเราพอใจสิ่งสิ่งนี้นะ <S <S เราจะซื้อเสื้อตัวนี้นะเราอยากซื้อเสื้อตัวนี้เอ๊ะทำไมเราต้องต้องอยากซื้อเสื้อตัวนี้ล่ะ <S <S อ๋อเพราะเราพอใจนะอาการของจิตนิดเดียวที่มันมันเกิดขึ้นตามลําดับขั้นเนี่ยนะอ๋อเราพอใจสิ่งสิ่งนี้เราเลยมีความอยากที่จะซื้อเสื้อตัวนี้แล้วถ้าเราสาวต่อไปเอ๊ะแล้วทําไมเราพอใจล่ะอ๋อเพราะมีการเห็น ตาเราเห็นรูปน ะ, ะเราไปมองเห็นเสื้อตัวนี้นะเราจึงเกิดความพอใจและเกิดความอยากตามมาผู้เจ้าจึงบัญญัติว่าผัสสะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือความพอใจและความพอใจเป็นเหตุให้เกิดตัญหาคือความอยากเมื่ออยากแล้วก็จะยึดตามมานะนี่<ะ>เป็นลําดับขั้นอาการของจิตปัญหาต่างๆก็เหมือนกันมีเหตุที่มันจะให้เกิดขึ้น<ะ>นะมีมีผัสสะ อ่าผัสสะคือการกระทบกันทางอายตนะเนี่ยของเราค่ะแล้วทําให้เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นพอใจค่ะใช่ก็จะเกิดตัญหาคือความอยากไม่อยากตามมาค่ะอ่าอย่างนี้ถ้าอยากถ้าอยากก็จะยึดถ้าไม่อยากก็จะผลักสายไล่ส่งอย่างนี้แล้วก็ต้องไปให้หาเหตุให้เจอหาเหตุให้เจอพยายามหาเหตุสุไทยเหตุเกิดของทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรปัญหานี้มันเกิดจากอะไร ถ้าเราไขาควรดีๆเนี่ยถอยหลังไปไข่ควรถอยหลังไปเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อเหตุมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปดับที่เหตุเป็นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเราหรือเปล่า หรือว่าอ๋อเพราะเป็นการที่เรากระทำผิด ก, ก่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะพอท่านพูดมาถึงว่า<ะ>เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือบางครั้งเพราะมันเป็นของเราเนี่ยแหละคะ่ะบางทีเรามองไม่ค่อยเห็นเพราะเราก็เหมือนกับว่าอยากจะสนองความพอใจอชอบใจของเราเองไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ยังไงเหรอคะตรงเนี้ยท่านถึงว่าเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าอย่าเชื่อมั่นในความคิดของเราทั้งหมดที่พระเจ้าบอกว่า ภารัทธวาช่อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือสิ่งอื่นไม่ใช่ ค, ความเห็นของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพยายามวางเป็นกลางกลาไว้อย่ายึดมั่นในความเห็นว่าความเห็นเราเท่านั้นที่ถูกนะให้ลองฟังความเห็นคนอื่นดูบ้างหรือว่าพยายามมองว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่แล้วเราเนี่ยจะเกิดความรอบคอบถ้ามันไม่ใช่ล่ะแล้วอะไรมันจะมีความใช่อีกมันจะมีอะไรได้อีกมีอะไรได้อีกเราจะเป็นคนที่รอบคอบมากเห็นปัญหาในทุกแงม่มุม S <S อันนั้นแหละนะมันจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีที่ที่ถูกต้องได้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าคือมองวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยต้องมองหลายๆแง่หลายๆเพื่อที่จะให้ไม่พลาดคิดอย่างรอบคอบมากที่สุดนะคะคือแก้ที่เหตุก็คงจะพอได้หลักอย่างสุภาพสตรีคนที่ยาลลำบากแล้วมาประสบความสำเร็จนะคะว่าการที่มีสมาธิจดจอ่อแล้วมีวิธีคิด ที่ถูกต้องอย่างรอบด้านนั้นก็จะทำให้ทะลุทะลวงปัญหาทั้งหมดไปได้